อามาพระภัยบุ์ก็มาพระอกับคุณหมารัตพงศ์ครับครับท่านสกครกับกับผมนัทพงศ์กนกวิรุณครับเรามาคุยถึงเรื่องของพระสูตรที่มาในพระไตรปิฎกในช่วงนี้เป็นช่วงที่ให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้ทำการอ่านพระไตรปิฎกหรือว่าฟังก็ได้เสร็จแล้วฟังแล้วอ่านแล้วทำความเข้าใจตรงไหนได้ตามกำลังปัญญาของตนใช่ไอันนี้ก็คือการที่เราฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟัง การฟังทำตรงนี้ก็จะทําให้เรามีความเข้าใจในธรรมะมากขึ้นแล้วก็เป็นเป็นหน้าที่ของตัวระบาเองที่จะทําสิ่งที่ได้ฟังในี้ให้จำแจ้งกริดงมาผููคุยกับหมอรัตตบงในในเรื่องของประสูตรที่เรากําลังพูดถึงวันนี้จะพูดถึงวันนี้ก็เป็นเรื่องของอังคุลิมานสูตรอังคุลิมานหรือองค์คุลิมานใช่ใช่ใช่ใชที่คนไทยจะรู้จักกันชื่อว่าองค์คุลิมานแต่จริงๆก็ในภาษาบาลีก็จะอังคุลิ อังโกลิเนี่ยหมายถึงนิ้วนิ้วมือมาละนี่ก็คือเป็นพวงมลาลัยครับอ่าก็คือลักษณะว่าเป็นฉายาของท่านที่ว่าเอานิ้วมือมาคล้องเป็นพวงมลาลัยทรงไวนะอังโกลิมานตรงนี้อ่าพระสูตรนี้ก็มาในมัชฌิมานิกายเป็นพระสูตรที่86อยู่ในราชวัชอ่าแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เราเคยได้ยินกันมาบ่อยๆด้วยนะพระพงค์เยอยครับ อ, องคุลีมานที่ว่าเป็นโจรเป็นอะไรต่างๆใช่ไหมมีเรื่องราวที่เขาพูดถึงกันก็คือเอามาจากพระสูตรนี้เองมาจากพระสูตรนี้เราก็จะมีเรื่องราวที่มาในธรรมบทก็อธิบายขยายความขึ้นไปว่าองคุลีมานนี่มาเป็นลูกใครอะไรยังไงมายังไงอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งไปอตอนนี้เรากําลังมาโฟกัสในเรื่องของที่มาในพระไตรปิฎกในส่วนของสุตตันต์สุตตันตปิฎกนะในพระสูตรที่ เป็นขนาดกลางในยาวพอประมาณยาวกลางๆเนี่ยประมาณ10บกว่าหน้าก็จัดอยู่ในหมวดของมัชชิมานิกายอมัชชิมันใช่แล้วก็พูดถึงเรื่องขององคุลิมันจนองค์กุลิมันทีนี้เรื่องราวมาเป็นยังไงแต่ได้ไปฟังได้ไปฟังไปอ่านดูอ่านดูใช่ก็จะอาจจะทราบเรื่องราวแหละว่าเป็นประพสูตรที่ไม่ไม่ยาวมากเท่าไหร่ก็พอประมาณนะพอจะอ่านได้จบไปในเครึ่งชั่วโมง พออ่านดูแล้วก็จะมีความเข้าใจว่าองค์กุลิมานเนี่ยเป็นโจรคือเมื่อก่อนเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเป็นโจรในอยู่ในเมืองอยู่ในแคว้นโกศลในกองพระเจ้าเปอร์เซนต์ที่โกสนแล้วก็มีชื่อเสีย ง, งเขากระจายไปละ ว, ว่าเป็นโจรจรนวนห้าร้ร <500 S 1> อยดังมากจำนวนที่เขาใช้ตรงนี้เขาจะบอกว่าเป็นคนที่หยาบช้ามีฝ่ามือเปื้อนเลือดปักใจมันในการฆ่าตีไม่มีความกรุณาในสัตว์ทั้งหลายทำหมู่บ้านไม่ให้เป็นหมู่บ้าน ทำนิคมให้เป็นนิคมทําชนบทไม่ให้เป็นชนบทนั่นะคือบ้านเรือนเขาอยู่ตรงไหนเข้าไปปุ๊บเขาแตกหนีหมดในะลนักษณะนี้แล้วก็เขนฆ่ามนุษย์แล้วก็เอานิ้วมือร้อยเป็นพวงส่งไวนะ้ตรงนี้ <ทำ S 1> คํำตรงนี้แหละก็จึงเรียกว่าชื่อขององค์กุลิมาน อ, อเอานิ้วมือเฉายาใช่เอานิ้วมือร้อยเป็นพวงส่งเอาไวนะ้เป็นฉายาขึ้นมาเป็นองคกุลิมานขึ้นมาครับทีนี้พพุทธเจ้าในตอนนั้น เสด็จบินธบาตใช่ก็เสด็จบินธบาติชานอาหารเรียบร้อยแล้วด้วยไปบินธบาตเรียบร้อยชานอาหารเรียบร้อยเก็บที่เก็บเนสนา่าสนะอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วเราก็เดินไปตามทางที่องค์กุลิมานโจรซ่อนอยู่ในที่นี้ก็เห็นในพระสุขก็บอกว่าถือบาทไปด้วยถือบาทและจีวาไปด้วย อืมครับท่าครับตรงนี้มีคําถามแทรกนิดหนึ่งว่าสับคำว่าปัจฉภัฒนี่หมายความว่าอย่างไรครับ อ, อ๋อปัจฉพัฒก็คือในเวลาหลังอาหาร<อ>ในเวลาหลังอาหารกลับจากการบินตาบาดแล้วไปบินตาบาดแล้วก็ฉันเรียบร้อยเสร็จฉันเรียบร้อยก็มาเก็บเสนาสะนะแล้วก็ถือบาดเปล่าเนี่ยที่ล้างเรียบร้อยแล้วกับจีวรไปช่วงนั้นก็คงเป็นช่วงเวลาสายสายสายสายก่อนเที่ยงอะไรประมาณนี้ไปตามทางที่โจรอยู่ ทีนี้ว่าคนที่เดินสวนมาเนี่ยเห็นว่าพระุทธเจ้าจะเดินไปตามทางนั้นก็เตือนนะเตือนว่าเอ้ยอย่าไปทางนั้นมีโจรอยู่นี่คือครั้งที่หนึ่งเตืนเอนแล้วก็ไปเจออีกพวกหนึ่งพระุทธเจ้าก็ไม่ได้สนก็เดินนิ่งๆไปครั้งที่สองก็เจอกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งนะเขาก็อธิบายให้ฟังโอ้นี่ทางนี้เป็นเป็นทางที่โจรองคุลิมานซุมอยู่นะอย่าไปขณะว่าคนรวมกันไป 30- 40คนเนี่ยก็ยัง ก็ยังถูกฆ่าโคนฆ่าถูกฆ่าแล้วก็ถูกตัดนิ้วมาทําเป็นพวงมาลัยทรงเอาไว้ครับผู้ชายก็นิ่งอยู่แล้วก็เดินต่อไปครับครั้งที่3มก็พูดเหมือนอย่างนั้นสามรอบคนคนละคนละกลุ่มกันใช่คนละกลุ่มกันพวกเชาวนาบ้างคนเล็งโคลบ้างอะไรต่างเนี่ยที่เดินอยู่บริเวณทางนั้นเนี่ยเขาก็เตือนมาแต่เป็นคนละกลุ่มกันสามรอบจนกระทั่งถึงจุดที่ องคุลิมาณอยู่ลนะองคุลิมานโจรเนี่ยก็ได้เห็นพระเจ้าเดินมาแต่ไกลนะก็มีความคิดว่าเอ๊ขนาดว่าคน 20, 30, 40, 40คนรวมกันมาเนี่ยก็ยังต้องยังกลัวเราใช่ครับนะยังพินาศได้แต่ทำไ ม, มพระรูปนี้สมณะคนนี้มาคนเดียวไม่มีเพื่อนจัด ก, การซะนะคิดว่ า, างี้ก็เลยจะไปจัด ก, การพระเจ้าละก็เลยเล่าไปข้างหลังแล้วก็จะเก็บจะ ใช่ล้วทีนี้ใช่ครับอ่าคือเทคนิคหนึ่งหนึ่งเทคนิคหนึ่งที่โจรที่มีคนเดียวเนี่ยถ้าสมมุติว่ามุ่งหน้าเข้าไปจัดการกับกลุ่มคนเลยอาจจะพลาดท่าได้ใช่ไหมใช่ครับเทคนิคหนึ่งในที่นี้เนี่ยที่องค์ุลีมานโจรตอนนี้ยังเป็นโจรอยู่ใช่ก็คือว่าจัดการจากข้างหลังเก็บทีละคนเก็บทีละคนอย่างเงี้ยอ่าเก็บทีละคนไปลักษณะนี้ซึ่งซึ่งในหนังฮอลลีวูดบางเรื่องเราก็เห็นเทคนิคนี้นะเขาจะจัดการคนสุดท้ายก่อนจัดการคนที่ออนแอก่อน Oh. อ๋อคะแนนที่สุดก่อนเนี่ยแล้วก็ค่อยเก็บไปทีละคนละคนอย่างเงี้ยก็จะชนะได้อืมอืมอืมอืมครับคําว่าพระปริสดางนี่หมายความว่าอย่างไรครับหมายถึงด้านหลังอ๋อด้านหลังาปริสดางคือทางด้านหลังครับอ่อแล้วก็พูช่าก็ทราบแหละด้วยความเป็นความสามารถของพระองค์นะครับก็เลยทําฤทธิ์สร้างฤทธิ์อินทาภิสังขาร น, นี่คือเหมายถึงฤทธิ์ความสามารถพิเศษครับที่จะให้โจทย์องคุลิมาเนี่ยวิ่งมาจากหลังก็ตามเถอะ ก็ไม่สามารถที่จะทันได้ในขณะที่ตัวพระองค์นั้นก็เดินไปตามธรรมดาครับก็เลยมีความแปลกใจเกิดขึ้นกับองค์กุลิมานโจนว่าเอ้ยทำไมเราวิ่งสุดกําลังเนี่ยก็ยังไม่ทันแต่ว่าเมื่อก่อนนี่ขนาดช้างมา้ารถอะไรกําลังที่กําลังวิ่งหนีไปไต่างๆเนี่ยก็ยังตามจับได้ทําไมสมณะคนนี้เราเร า, าตามไม่ทันทั้งที่สมณะ น, นี้ก็เดินตามปกติแล้วก็เลยเรียกว่าให้หยุดก่อนหยุดก่อน <ý st> นนในที่นั้นพรชาก็บอกว่าเราหยุดแล้วองค์กุลิมานท่านเล่าจงหยุดเถิดคำนี้นี่หลายหลายคนก็คงจะเคยได้ยินใช่ครับเป็นประโยควักทองใช่เราหยุดแล้วองค์กุลิมานท่านเล่าจงหยุดเถิด <m> ทีนี้พอที่ยินคํานี้เปิบ อ, องค์กุลิมานจนนั้นก็มีความคิดว่าเอ๊ะพระส่วนใหญ่นี่จะพูดคําจริงนะ <m> แต่ทําไมพระรูปนี้เดินอยู่กับบอกว่าหยุดแล้วนะให้เราหยุด ให้เราถามดูดีกว่าว่าหมายความว่ายังไงมันเป็นยังไงจริงจร <ๆ S 2> นะิงยังไงครับซึ่งองค์ุลิมาตอนนั้นก็เลยถามด้วยคําที่เป็นคาถาเนาะหมอพระองค์ซึ่งคาถาในทางภาษาบาลีเนี่ยหมายถึงว่าคุณแต่งเป็นเป็นกรองออกมาเป็นโครงออกมาเป็นลักษณะของโครงครนะก็คือเป็น100ร้อยกลองออกมาแตนะ่คือไม่ใช่พูดธรรมดายังที่เราพูดเนี่ยมันต้องมีสัมผัสมีโครงสร้างมีรูปแบบภาษาคําที่สมต้องมีลง เสียงเดียวกันกับคําที่4ต้องคําสั้นคํายาวคำเป็นคําตายพวกนี้ต้องมีโครงสร้างที่แน่นอนอ่าเพราะฉะนั้นคนที่จะแต่งกรอนสดออกมาได้กรอนสดนี่ยังง่ายนะมนุษ์ที่เราดูทางทีวีอย่างเงี้ยบางทีเขาแบ่งเป็นฝั่งชายหญิงโตกันด้วยเป็นคํากรอนใช่ไหมอันเนี้ยเอ่อนี่คือเขาเรียกว่ากรอนแการแต่งกรอนแปดเนี่ยก็จะง่ายกว่าการแต่งโครงสีสุภาพหรือว่าการแต่งชั้นหรือว่าการแต่งรูปแบบอื่นๆเพราะว่า สัมผัสมันก็แค่เรื่องของคำพูดไปใช่ไหมเรื่องของเสียงที่มันลงวักกันแต่แต่ถ้าเป็นโครงหรืออะไรเงี้ยมันต้องดูเรื่องคําเป็นคําตายอะไรต่างๆด้วย<ช>อ ค, <ำ S 2> คําสั้นคํายาวซึ่งมันจะมีฟอร์แมต ท, ที่ที่มากขึ้นใช่ครับแล้วคนที่สามารถที่จะแบบแต่งสดได้เลยเนี่ยโหความสามารถมาก อ, อันนี้ก็แสดงโครงแสดงให้เห็นถึงว่าแม้แต่องค์ุริมานเองเนี่ยที่เป็นโจรเนี่ยก็ยังมีความสามารถในการที่จะแต่งกลอนคือเรื่อง เรื่องของภาษาเรื่องความสามารถในการสมองอ่ะใช้ภาษาใช่สมองไม่ใช่แค่ร่างกายอย่างเดียวอตรงนี้ก็แสดงถึงเหตุในยะหนึ่งอเพอถามเป็นกรอนก็ต้องตอบเป็นกรอนทีนี้ใช่ไหมแต่องค์กริมานโจนก็ถามเออทำไมหมายความว่าไงคือตอนนั้นองค์กริมานโจนเนี่ยก็หยุดละหยุดถามครับทิ้งถามเป็นโครงกรอนเนี่ยพอแปลเป็นภาษาไทยแล้วเขาก็แปลว่า ธรรมณะท่านกําลังเดินไปยังกล่าวว่าหยุดแล้วและเรายังไม่หยุดนะคราบพระเจ้าหยุดแล้วบอกว่าไม่หยุดหมายความว่าอย่างไงไหนที่ว่าหยุดเนี่ยเป็นยังไงไม่หยุดเป็นยังไงครับพระพุทธเจ้าได้ฟังคําถามนี้ก็ก็พูดขึ้นมาว่าความหมายก็คือว่าเราหยุดในการฆ่าสัตว์ต่างๆแล้วส่วนท่านเนี่ยที่ไม่หยุดเนี่ยคือยังไม่หยุดในการฆ่าสัตว์ใช่จึงบอกว่าตัวท่านนั้นยังไม่หยุด แต่ทีนี้องคุลิมาเนี่ยพอได้ฟังว่าอ้าหยุดนี่หมายถึงอ๋อหยุดฆ่าสัตว์อ๋อที่เรายังไม่หยุดนี่คือยังไม่หยุดฆ่าสัตว์พระพุทธเจ้าเดินอยู่บอกว่าหยุดแล้วหยุดแล้วในที่นี้หมายถึงหยุดที่จะฆ่าสัตว์ใช่ไหมวางแล้วอดญาต่างๆแต่ที่ไม่หยุดเนี่ยคือยังไม่หยุดฆ่ายังไม่หยุดทําลายชีวิตสัตว์หมอรัตนพงศ์ได้ยินแค่นี้มันมันมันสะเทือนใจสะเทือนอย่างมากเลยครับคงจะเป็นช่วงเวลาที่แบบจิตเราพร้อมที่จะรับ ข้อธรรมข้อธรรมะเนี่ยคือบางทีก็ยากที่จะคาดเดาเนะ่ว่าเอ๊ะทําไมองค์กุลิมานโจนเนี่ยอได้ยินแค่เนี้ยถึงถึงหยุดได้ถึงแบบอึ้กขึ้นมาได้นะใช่ครับอึ้กขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะเออใช่ว่ะ ฉ, ฉันทาไม่ถูกหรืออะไรยังไอองอออืซึ่งตรงนั้นเนี่ ย, ด, ยด้วยประโยคแค่นี้ของบุพชา่าพูดคําเดียวมาแค่เนี้ยนะครับอท่านองค์กุลิมานเนี่ยก็คิดว่าโอ้พระนี่เอพระส่วนใหญ่เนี่ย ที่ทำดีปฏิบัติดีเนี่ยเทวดาก็บูชามนุษย์ก็บูช า, ม, ชามาถึงป่าใหญ่เพื่อที่จะสงเคราะห์นะเราจะละบาปนะด้วยการฟังธรรมกถาแค่นี้นะก็เลยทิ้งดาบทิ้งอาวุธเอ่อลงเหวลงหน้าผาคือไปเอาอเอากลับมาอีกไม่ได้นะแล้วก็ทูลขอ บ, บวชนะพุะรุชาก็ด้วยความเมตตานะจึงจึงให้บวชในทีนั้นเพราะแค่ฟังคำเดียวเนี่ยมรงเป็นไปได้เหรอที่โจรมีรฝ่ามือเปื้อนเลือด มีใจปักใจมั่นในการฆ่าตีนะไม่มีความกรุณาในสัตว์ทั้งหลายขอบวชน่ะธรมางงมากเลยว่าเอ๊ะเป็นไปได้ยังไงเป็นไปได้ยังไงแล้วมันมันมันมันบางทีอาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะเพราะว่าคนที่อาจจะมีบารมีสังสมมาเขาอาจจะเข้าใจแค่วักเดียวคำเดียวคือมันพร้อมอยู่แล้วอะเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าอาจจะมีความเห็นไม่ถูกต้องอะไรบางอย่างใช่ครับเหมือนคิดคาที่ว่าเปิดของ ที่ ป, ปิดอยู่อ่ปิดอยู่อ่ของที่คว่ำให้ไงายขึ้นอย่างนี้นก็คื อ, <ช>อแค่ขณะ จ, จิตเดียวนี้ก็ก็อาจจะเป็นไปได้ใ น, ในที่นี้เนี่ยก็เลยมีเรื่องราวอีกหลายๆอย่างที่เขาแต่งเสริมเติมแต่งขึ้นมาว่าจริงๆท่านองค์กุลิมาเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถแต่ว่าถูกพิชัยทิฏฐิเข้าครอบงำจากอาจารย์ที่คอยบอกสอนอะไรต่างๆแต่ก็มีนักวิเคราะห์กันไปหลายๆอย่างนะว่า <ๆ S 2> จริงๆท่านเป็นคนดีด้วยการเชื่อฟังอาจารย์องค์กร ธรรมะที่อาจารย์คนก่อนที่สอน<ช>ท่านในเรื่องการต้องฆ่าคนจำนวนเท่านั้นเท่านี้เพื่อที่จะสำเร็จวิชาอะไรต่างๆอย่างเงี้ยซึ่งอั้นเราก็จะไม่พูดถึงในที่นี้แหละนักวิชาการบางคนก็มีการวิเคราะห์ว่าเนี่ยแสดงถึงความที่ท่านเนี่ยมีมีจิตใจที่มั่นคงมีความซื่อสัตย์อะไรก็ว่าไปนั่นเป็นเป็นความหมายของเขาเพียงแต่ว่าในที่นี้อารมาก็มีความคิดว่าคนที่จะ มาพลิกผันด้วยคําพูดคําเดียวเนี่ยบางทีก็ก็ต้องมีบารมีสั่งสมมาพอสมควรนะก็ต้องมีความสามารถระดับหนึ่งละท่านครับคําว่าปัจฉาสมณะก็คือแปลว่าปัจฉาสมณะก็คือเดินตามไปข้างหลังปัจฉาไปบาข้างหลังสมณะก็คือบวชแล้วนะต่นนั้นองค์ุลิมาบวชแล้วซึ่งตรงนี้ท่านพระองค์กุลิมาตอนนี้เป็นพระนะยังยังไม่ได้บรรลุอะไรทั้งสิ้นเลยยังไม่ได้บรรลุอะไรทั้งสิ้นใช่เป็นพระบวชใหม่อซึ่ง ซึ่งพระบทใหม่ตรงนี้ก็เดินตามพทธรูชาไปข้างหลังโกลผมปรงผมและหน่วยอะไรก็เรียบร้อยแล้วให้เรากว่าจีวรต่างๆะอะไรต่างมาได้ยังไงใช่ๆชนะำลังเล็กอยู่ครับว่าห า, า <S <S ได้ยังไงอันนี้ก็มี <S <S นิทานธรรมบทที่เขาเสริมขึ้นม า, าคือมันก็มาเองนมาเองด้วยความสามารถด้วยบุญบารมีอะไรต่างๆที่สั่งสมมาเหมือนอิทธิปฏิหารช่ใช่ก็มีหลายท่านหลายรูปแม่พรชาจีวรบาดอะไรต่างที่เขาเล่ากันมานะ แล้วก็มาเองรอเรื่องเรื่องนี้เราอาจจะยกไว้ก่อนก็ได้ไดไแต่ที่แต่ที่เราต้องทําความเข้าใจคือว่าตกกากะความคิดของท่านพระองค์กุลิมา น, น, นกระบวนการความคิดว่าแค่ฟังคำนี้ที่บุรุชาบอกว่าองค์กุลิมานเราวางอาทยาในสรรพสัตว์ได้แล้วจึงชื่อว่าหยุดแล้วในการทุกเมื่อส่วนท่านไม่สํารวมในสัตว์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราจึงหยุดแล้วท่านยังไม่หยุดครับมันมัน มันสะเทือนจิตใ จ, จอึ๊กขึ้นมาได้ยังไงอืมใช่เนอะวัดทองใช่แค่<อ>วัดเดียว <c oughs> คําเดียวตรงเนี้นะบวชเลยอ่ะบวชเลยเลิกแต่สิ่งที่ชั่วร้ายเร็วสามทุกอย่างเพราะงั้นกระบวนการตัดกาบความคิดของท่านตรงนี้นะจริงๆแล้วตัวท่านเองก็ได้เฉลยไว้ในตอนท้ายของพระสูตรนะซึ่งเป็นคาถาที่ท่านได้กล่าวเอาไว้นะทีนี้เรื่องราก็ยังดําเนินต่อไปพอบวชเป็นพระแล้วก็ เดินตามพระชาติไปแล้วแล้วก็ไปที่วัดเจดวันเรื่องนี้ทําไมมาถึงอยู่ในราชาวัตรราชาวัตคือเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระราชาในมัชฌิมานิกายเนี่ยก็จะมีหลายๆวัตรอยู่ทั้งหมดตั้ง15วัตรหรือประมาณนี้นะบนะแบ่งเป็น3ตอนก็ทั้งหมด15วัตรด้วยกันในแต่ละวัตรก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชาบ้างเรื่องราวเกี่ยวกับเดรตีบ้างเรื่องราวเกี่ยวกับภิกษุอะไรต่างๆบ้าง ในเรื่องนี้จัดมาอยู่ในหมวดของราชวัตรเพราะว่าก็ได้กล่าวถึงประชาประเปนสนิโกสนอยู่พอสมคว ร, ครทีเดียวนใน<ช>หลายข้อด้วยกั น, นพูดถึงว่าพระเจ้าเปนสนิโ ก, โกโนนสนพอทราบข่าวว่ามีประชาชนมาร้องเรียนว่าออมีโจรเกิดขึ้นต้องไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งก็เลยขอให้กาจัดมันเสียะประชาประเปนสนิโกสนก็แต่งกองทัพละทีนี้นแต่งกองทัพด้วยกระบวนม้ามากมายทีเดียวจานวนที่นี่ก็คือ500 เ, เพื่อที่<า>ทจะห้าร้อเนี่ยไม่ได้หมายความว่า500จริงๆนะแต่ว่าจํานวนมากเป็นแบบสํานวนนะจำน ว, นวนว่าโ อ, โอ้มากมายแค่มาห้าร้อแต่ว่าอาจจะอาจจะไม่ถึงไม่ได้ว่าเป๊ะๆหรอกแต่ว่ามีจํานวนมากทีนี้ว่าแต่งไปเพื่อที่จะจับโจนุกฤษีมานทีนี้ก่อนไปจะไปไหนก็คือไปขอพรพระรูชาก่อนไปขอพรพระรูชาก่อนก็เลยพาพวกคณะต่างๆเนี่ยเข้าไปเพื่อที่จะขอพรพระรูชาตัวเองก็ไปด้วย แต่ว่าหมูนะ่คณะพวกกองทัพแรงต่างก็คงจะจอดรออยู่ด้านหลังนะตัวพระเจ้าเปรสินโนโสนก็ค่อยๆเดินเข้าไปหาพระรชาในที่วัดเชตวันทําความเคารพพระเจ้าเรียบร้อยแล้วก็เลยเล่าให้ฟังว่าจะไปจับโจรแต่นี่พระเจ้าก็ถามก่อนถามพระเจ้าเประเสินโนิโสนว่าเอา๊ะใครทําให้ขัดเคลืองหรือเปล่านะไม่ว่าจะเป็นพวกกษัตริย์อื่นๆนะไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าพิมพิสาร แห่งแควมคดหรือว่าพวกเจ้าเวซา ล, ลีลิชวีรหรือว่าเวซาลีพวกนี้ที่ทําให้ไม่พอใจหรือไม่เพราะว่าในสมัยนั้นเน่ก็จะมีกษัตริย์ที่ปกครองอยู่เรียนอื่นๆนะใกล้ๆกันอาจจะมีการรบกันใช่ใช่อันนี้เขาก็มีเรื่องราวต่างๆล ะ, ะเรื่องการรบกันที่ที่ระบุไว้ในพระไติบิดกที่เกี่ยวกับพระเจ้าก็ก็ยังมีอยู่บางส่วนแต่นี้ที่ว่าเขารบกันเองพระเจ้าไม่ได้อยู่ก็ยังมีอีกด้วย นะประวัติศาตร์ในสมัยนั้นอย่างไรก็ตามพระเจ้าเปรตนิโกสนก็ไม่ได้ถูกรบกวนโดยกษัตริย์พวกนั้นนะในสมัยนั้นแต่ว่ามีโจรที่ชื่อองค์กุลิมานกนะวนใจอยูนะ่ก็เลยจะไปจัดการมันเสียนะในที่นี้นพระชจ้าก็เลยชีย้ให้ดูว่าเนี่ยองค์กุลิมา น, นก่อนที่จะชี้ให้ดูว่าองค์กุลิมานโจรอยู่ที่นี่ก็ได้อ่าที่ถามก่อนว่าอาา้าวถ้าสมมติว่าองค์ุลิมานโจรมาบวชเนี่ยพระเจ้าเปรตนิโกสนจะทํำยังไง อ๋อคน ừ, บวชเป็นพระก็ต้องกราบไหว้ใช่ปะ่ะใช่ครับเป็นหน้าที่ของคารวะก็กรอิบูชาด้วยอมิสถาลยิน ด, ดีต้อนรับอะไรพวกเนี้ยก็ต้องทำตามนั้นแต่มันจะเป็นไปได้หรอจนองค์คุริมานจะมา ừ, ะมาบวช <ừ, S 2> เป็นพระมันไม่น่าจะเป็นไปได้นี่แสดงว่าในในตอนนั้นไม่มีใครกราบทุนพระเจ้าประเสริฐทีโกศธนก่อนเลยว่าองค์คุริมานมาบวชนะคงอาจจะยังไม่มีใครทราบอย่างยังคงยังไม่มีใครทราบแน่นอนเพราะว่าเรื่องราวเขาดําเนินมาต่อเนื่องกัน ต่อเนื่องกันอาจจะไม่ได้ข้ามวันด้วยซ้ำอาจจะแค่วันเดียวอะไรอย่างเงี้ยครแล้วก็โจงกรลิมา น, นี่ก็ไม่มีใครข้าไปหาว่าเออท่านอยู่หรือยังไงอะไรยังไงต่อนเป็นโจนใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้มีใครไปเยี่ยมบ่อยๆแน่โจงกรลิมา น, า น, นอืาจจะเป็นช่วงสองสามวันห้าวันเจ็วันก็อาจจะเป็นไปได้ครับที่หลังจากที่ชาวบ้านไปร้องเรียนแล้วว่าต้องต้องกําจัดต้องกําจัดการแต่งทัพไปก็คงจะต้องใช้เวลาหลายวันพอสมควร และในช่วงหลายวันนี้ก็ไม่มีใครไปตรวจสอบความเป็นอยู่ของโจนองค์ุลิมาล่ะว่าเป็นอยู่อะไรยังไงนํามาบวชแล้วหรื อ, อยังไอ้พระใหม่องค์นี้ชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆชื่อของท่านเดิมมาชื่อว่าอาหิงส ก, กะนะอหิงส ก, กะคือหมายความว่าเป็นผู้ที่ไม่เบียดเบียนใช่ครับโอ้โหครับเชื่อดีมากเนี่ยทาไมบิดาของท่านตั้งชื่อว่าอาหิงส ก, กะเนี่ยเพราะว่าเออเป็นเป็นโหรดูดวง บิดา ค, คือคืนนี้เป็นนิทานในเรื่องอื่นที่อื่นนะเขาเล่ากันมาเนะ ว, ว่ า, วาตัวตัวท่านเนี่ยเป็นเอ่อเป็นโหดูดวงบิดาของพระองค์ุลิมาเนี่ยนะครับเออก็ดูว่าเอ๊ะเวลานี้มีเอ่อเิกนี้มีสัญญาณมีนิมิตอย่างเงี้ยบ่งบอกแสดงว่าเด็กที่เกิดในเวลานี้จะต้องมีปัญหาอย่างนี้อย่างนี้โตมานี่จะต้องเป็นโจรอะไรต่างๆอพอดูดวงเรียบร้อยแล้วก็จะตามหาว่าใครเกิดเวลานี้ก็พบว่าลูกตัวเองอะเกิดเวลานี้ อ, อก็เลยตั้งชื่อว่าอหิงสกันะหิงสกัดเพื่อที่เ <แก S 2> <ๆ S 1> พื่อที่จะให้เกิดความไม่เบี่ยนแปลงนที่สุด <นะ S 1> แล้วก็เรื่องเราก็ดำเนินไปล่ะจนกระทั่งมาเป็นโจนองคุลีมาอย่างที่เราคุยกันอยู่ตอนนี้แต่อย่างไรก็ตามพอพอพระเจ้าประสินทิคโกศนเนี่ยทราบถึงว่ามันจะเป็นไปได้หรอพุทเจ้าชี้ให้ดูเสร็จปุ๊บเอ้ามันมันจริงนี่เนี่ยถามว่าไอ้ทราบได้ไงว่าหน้าตาเป็นยังไงก็คงจะมีบริพอร์ตมามีรายงานมา มีรายงานแบบเวลาคนที่เขารอดจากการถูกฆ่าเนี่ยเขาก็ต้องจำหน้าโจรได้ใช่ไหมอ่าแล้วก็คงจะมีการสเก็ต ร, รูป s k e t อะไรมาเพื่อที่จะให้ทราบว่าผู้นี้คือโจรองคุลิมันนะบอกพระเจ้าชีให้ดูนะก็คงจะได้เคยเห็นรูปที่เขาสเก็ตมานะก็โุ้ยนี่โจรองคุลิมันจริงๆด้วยแล้วก็กลัวใช่นี้กลัว พระเจ้าเปรตดิ<ผ>โกสนก็กลัวพัดลมชาติชูชันอ่าก็คือคนลูกสู้ <laughs> เลยล่ะคนลุกอ่าคนลูกสู้เลยอ่าคนลูกสู้แล้วพอพระเจ้าทราบว่าโอ้คนลูกสู้ก็ก็เลยปลอบโลมว่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเนะี่ยเพราะว่าภัยจากองค์กุลิมาเนี่ยไม่มีแล้วครับอ่าภัยจากองค์กุลิมาไม่มีอ่าทีนี้พระเจ้าเปรตดิโกสนก็เลยเข้าไปทําความคุ้นเคยแต่ตอนนี้ในการทำความคุ้นเคยของชาวอินเดียเขาเนี่ย<ช> เขต้องถามชื่อพ่อชื so ่อแม่ค hmm. <id> ุณว่าคุณเป็นมายังไงใครเป็นอาจารย์คุณคุณจบการศึกษาจากที่ไหนคุณมีความเห็นว่าอย่างไรคือถามเรื่องนี้ก่อนที่จะถามชื่อคุณจริงๆด้วยซ้ําเช่นว่าแทนที่จะถามกันว่าคุณชื่ออะไรผมชื่อมอรัพงแทนที่จะถามอย่างนี้ก่อนเนี่ยก็ต้องถามว่าคุณมีความเชื่ออะไรก่อนด้วยซ้ำบางบางสํานักนะเวลาคุยกันเนี่ยคุณมีความเห็นว่าอ่างคือถามความคิดเห็นคุณก่อนหรือคุณเป็นลูกศิษย์ใคร อาจารย์คุณสอนมากไงเราค่อยถามชื่อชื่อแม่คุณถามชื่อพ่อคุณแล้วก็ถามชื่อตัวเองว่าคุณชื่ออะไรแล้วถ้าเรียกโดยความครบสุดๆเนี่ยาก็จะเอาชื่อแม่ชื่อพ่อมาเรียกกันก่อนอ๋อรวมกันอใช่อย่างเช่นของพระองคุลิมานตัวเองชื่ออหิงสกะใช่ไหมพ่อชื่อคัคคมารดาชื่อมันตณีอ๋อมันตณีแล้วเรียกให้แบบสมบูรณ์แบบว่ายกย่องกันสุดๆเลยก็ต้องเรียกว่าคัคคมันตณีบุตร เป็นบุตรของนายคัคคะและนางมันตานีอย่างเงี้ยนี่คือครับคือโดยโดยแบบาให้เกลียดกันสุดๆละธรรมเนียมของอินเดียใช่ใช่ใช่เรียกชื่อมารดาชื่อวิดาตรงเนี้ยตรงเนี้ยดีนะหมอรัตพงศ์เพราะว่าใชครับเพราะว่าเวลาที่เขาเรียกปุ๊บเนี่ยสมมติอาตมานี่พ่อชื่ออนันต์แม่ชื่อทัศดาเดี๋ถ้าเรียกอาตมาว่าอนันตทัศดาบุตรเนี่ยโอยเราจะอึ้งขึ้นมาดีนึงนะโอเรียกชื่่อพ่อชื่อแม่เรา S <S ค, คือพอพอได้ยินชื่อพ่อชื่อแม่ปุ๊บเนี่ยมันจะมีความรู้สึกที่มีเฮริโอตาปะขึ้นมานิดหนึ่งมากกว่าจะเรียกชื่อเราเฉยเฉยอย่างเงี้ยใช่ ค, คือคือนี่นี่แบบจิตใต้ส่ว น, นึกของคนเราอะนะคือนี้เรายังไม่ได้พูดถึงว่าคุณล้อชื่อพ่อชื่อแม่อะไรนี่มันเฉพาะมันมันจะไม่ได้เป็นอย่า ง, ง น, นั้นอีกอีกอีกแบบหนึ่งครับแต่เรากําลังพูดถึงว่าถ้าเรามีทําเนียมอย่างนี้เนี่ยถ้ามีทําเนียมเรียกกันอย่างนี้เนี่ยก็จะทําให้เรานึกถึงพ่อนึกถึงแม่เรา มันจะมีความเกรงกลัวต่อบาปขึ้นมาบ้างหนึ่งออกมาจะมีความเกรงกลัวต่อบาปขึ้นมาบ้างอ่าแล้วก็พอพระชาปนิคโคศนก็เรียกอย่างนี้มันก็จะมีหลายชื่อเลยนะอ่าชื่อจริงชื่อองค์ุรีมานอ่าชื่อจริงชื่ออหิงศกาฉายาที่เขาตั้งให้คือองค์กุรีมานนะชื่อตามธรรมเนียมก็คือคะขะมันตานีบุตรอย่างเงี้ยอืมค่ะแล้วก็พอบวชแล้วอ่าก็จะมีฉายาด้วยนามสกุลก็อันหนึ่งอย่างเงี้ยนะ อย่างอย่างตัวมาเองฉายาที่อุปชาตั้งให้ก็พิปุนโนใช่ไหมนนใช่ชื่อเราชื่อภัยบูนพ่อแม่ตั้งให้มาดาบิดานามสกุลแล้วก็ฉายาพวกนี้โอ้มันมีเรียกหลายชื่ อ, อเพราะฉะนั้นจะเรียกชื่อไหนก็ได้ละ่ะแต่ในที่นี้ธรรมเนียมเขาเป็นอย่างนี้นะเขาก็พูดถึงมาดาบิดาตรงนี้หลังจากนั้นก็รายละเอียดเช่นว่า ภาวนาด้วยปัจจัย4ี่ใช่ไหมภาวนาตัวเองด้วยการถวายปัจจัย4ี่แล้วก็จะถวายจีวรอะไรต่างๆแต่ท่านองค์ุลิมานตอนนั้นก็ถือทุดงควัตรในข้อที่ถือผ้าบางสกุลถือผ้าสามผืนแล้วก็ผ้าบางสกุลเพราะนั้นการรับผ้าเพิ่มเติมอะไรต่างๆนี่ที่เป็นผ้าเครื่องแดีเนี่ยก็เลยไม่ได้ใช้ไม่ได้เอาในที่นั้นก็เลยบอกว่ามีสมบูรณ์ได้ป้ายแล้วนะคือปฏิเสธไปว่าอย่างรับ เออซึ่งตรงนี้พระเจ้าปเสนีย์โกศลก็ยกย่องพุทธเาว่าโอ้โหมันมันเป็นไปได้ไงในคนสุดยอดอ่าสุดยอดการที่ปราบปรามได้โดยที่ไม่ต้องใช้อายาไม่ต้องใช้ศาสตรใ์ใช่ใช่ขณะ ว, ว่าคนที่พระเจ้าปเสิีย์โกศลเนี่ยจะต้องยกทัพไปปราบหรือว่าคนอื่นเขารวมพวกกันเพื่อที่จะไปปราบโดยใช้อาวุธใช้กําลังใช้เทคนิคต่างๆ่าก็ยังปราบปรามไม่ได้แต่พุทธเาเนี่ยปราบปรามคนที่คนอื่น นะต้องใช้อาวุธต้องใช้สัตราปราหรา์เนี่ยโดยที่ตัวเองไม่ต้องใช้สัตราไม่ต้องใช้อาญยาเป็นเป็นเรื่องที่น่าสัร์มากใช่ครับ อ, อันนี้ก็เป็นเป็นคุณสมบัติอันหนึ่งด้วยจากจากการที่ใช้ธรรมะก็คือว่าการปราบปรามกิเลสในใจเนี่ยมันเป็นที่ตัวรากเหง้าของของปัญหาปัญหาบ้านเมืองอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นคนโกงอรรับชั้นทะเ <ừ> ลาะกันอะไรพวกนี้เป็นเพราะกิเลสตรงนั้น แไม่ว่าคุณจะออกกฎหมายแบบไหนก็ตามมีมาตรการกา ร, การลงโทษอย่างไรก็ตามแต่ทุกคนคมันจะชั่วคนมันจะโกงมันหาช่องชั่วหาช่องโกงไปได้หมดจริงรรเพราะว่าเพราะว่าตัณหากับกิเลสเนี่ยมันแทรกซึมไปได้ทุกที่อลักษณะของตัณหาเป็นธรรมชาติไหลายนองมีเครือข่ายแผ่กว้างนะมันจะแทรกซึมไปได้หมดเพราะเด็นไม่ว่าคุณจะออกกฎอะไรมาทํำยังไงมีมาตรการอย่างไรแต่ถ้าใจมีตัณหาครอบคลุมอยู่รัดรึงอยู่มากเนี่ย มันหาช่องไปได้ไปทั้งสิ้นอือแม่จริงจริงๆเลยครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะใช้อัดยาใช้สตราอย่างไรเนี่ยก็จะไม่สามารถปราบปรามได้ปราบปรามได้ก็แค่ระดับหนึ่งระดับหนึ่งเหมือนเราเอามือไล่แมลงวันนะไล่ไล่ไปมันก็ไปแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันกลับมาอีกมาอีกมาอีกมันมันไม่ได้จบไม่สิ้นสักทีเช่นเดียวกันวิธีการที่เราจะใช้อัดยาสตรายจะไม่ได้จะได้นิดนึงก็ตามที่ตามเปตามปจัยแต่ว่า ถ้าจะได้ถึงรากง้าของมันก็คือต้องเอาตัณหาตันเอาพวกกิเลสนี้ออกตัณหากิเลสออกซึ่งจะปราบปรามด้วยวิธีการใช้อาวุธใช้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้เลยนะคุณจะไปขู่บังคับให้คุณนั่งสมาธนะินั่งหลับตาอยู่ก็จริงอะ่ะตัวไม่ได้เคลื่อนไปไหนเอาเชือกรัดไว้นะแต่ถ้าจิตใจมันคิดการพยาบาทเปียดเบีบเมันก็ไม่ได้ใช่ครับนะมันจะไปบังคับจิตตรงนี้ก็ไม่ได้แต่พระเจ้าเนี่ยสามารถทําไดนะ้สามารถข่มบังคับแตจิตใจของคนที่ ไม่สามารถที่จะใช้อาวุธใช้ศาสตราเนี่ยบังคับได้นะซึ่งซึ่งสัมนวนที่เวลาแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยเขาจะจะมักแปลกันก็คือว่าบังคับจิตใจของตัวเองทรมานจิตใจตัวเองอทรมานจิตของตนเนี่ยบัณฑิตเนี่ยบัณฑิตต้องฝึกจิตฝึกเจนิตี้เขาพูดว่าทรมานจิตตัวเองทรมานจิตใจคือไปทําการฝึกแต่แต่ในสัมนวนที่ภาษาบาลีก็คือว่าทําการฝึกทําการฝึกพระเจ้าเนี่ยจึงเป็นบุรุษ บุคคลที่สามารถฝึกคนที่ควรฝึกได้ oh, ถ้าใจิตใจมีคุณสมบัติของความฝึกได้แล้วมห้บุรุษชาฝึกอันนี้โดยไม่ต้องใช้อญญาจยาไม่ต้องใช้สัตตราแ <Ooh. S 1> สดงว่าท่านท่านองคุลิมานเนี่ยเป็นบุคคลที่ควร ฝ, ฝึกได้ไ<ง>ฝึกได้ตรงนี้โดยที่ไม่ต้องใช้อญญาจยาไม่ต้องใช้สัตตราทีนีนน mm. ก้การฝึกตรงที่ว่าคุณสมบัติของคนที่จะเป็นผู้ที่ฝึกได้เนี่ย ก็มีอยู่ทั้งหมด5อย่างในที่ในประวัธิสุดถึงผท้เรียได้เคยพูดถึงเรื่องของศรัทธาความมีศรัทธาความมีอภายน้อยความเป็นคนที่ไม่โอ้อวดไม่มีมารยาแล้วก็บารวัความเปลี่ยนนี่เป็นข้อที่4ี่แล้วเป็นคนที่มีปัญญาจากการที่เราสังเกตเห็นว่าท่านพระองค์ุรีมาเนี่ยสามารถที่จะกล่าวคาถาได้เลยโดยที่ไม่ได้ถึงแม้จะเป็นคาถาสั้นๆก็ตามเนี่ยโดยที่ไม่ต้องคิดไม่ต้องอะไรมากเนี่ยพูดตัตอบกันได้ก็แสดงว่ามีมีปัญญาปัญญาในที่นี้เนี่ย หมายถึงว่าการเรียนรู้ของท่านนะแต่ปัญญาที่พระเจ้าหมายถึงในที่นี้คือปัญญาที่จะเห็นการเกิดดับความไม่เที่ยงอือาันที่สองร ท, ท่านเป็นคนที่มีความเพลี่ยนแน่มีควา ม, วามเปลี่ยนแน่ในการที่จะทําตามคําสั่งของอาจารย์ที่เคยบอกก่อนหน้านั้นแล้วก็เป็นคนที่ไม่อวดไม่มีมัญยาเพราะอะไรนเห็นได้จากการที่ว่าทําตามคําสั่งแล้วก็ไม่อวนไม่มีมัญญาเพราะว่าเป็นคนซื่อตรงเป็นคนซื่อสัตย์ซื่อตรงเขาบอกไงก็ให้ทําอย่างนั้น อันนี้เราจะสังเกตได้ว่าเท่านก็มีคุณสมบัตินี้แล้วก็มีอาพาธน้อยแน่หลักเป็นคนที่แข็งแรงแข็งแรงใช่ครับทีนี้ที่ยังไม่มีเนี่ยก็คือความเห็นที่ถูกต้องความเหที่กต้องใช่นั่นก็จะเป็นผลที่ต้องมาจากการที่มีศรัทธาดฉะนั้นพอพระราชาได้สะกินิดนึงว่าเอ้ยยังไม่หยุดนะเนี่ยยังไม่หยุดเลยอ่ามันก็เลยไอ้สิ่งอื่นมันมีครบหมดแล้วอ่ะมีครบรอประมาณในระดับหนึ่ง นะ ก, ก็จึงหันหันกลับมาในทางที่ถูกนามาปฏิบัติตรงนี้ครับอ่าทีนี้พอพอเรื่องราวที่ดําเนินต่อไปนะว่าหลังจากที่พระเจ้าประดัิโคศนกลับไปแล้วทุกอย่างเคลียร์เรียบร้อยใช่ไม<อ>่มบวชแล้วนะ ก, ก็ไปบินตบาร์เทีนี้ได้มีมีศัพท์คํานึงเรื่องทรงกระทำประทักษิณประทักษิณประทักษิณคือการทําความเคารพนะประทักษิณก็คือเดินเวียนทางขวาเดินเวียนทางขวา เดิ S <S <S นเวียนขวาใช่ออกไปทางด้านขวาหรือว่าการที่เราให้ให้ใหบุคคลที่เราเคารพเนี่ยอยู่ทางด้านขวาของเราแล้วก็จากไปตรงเนี้ยในธรรมเนียมของอินเดียก็คือว่าแสดงความเคารพในบุคคลผู้นั้นอื ม, <S <S อมครับ <S <S อาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ไหมว่าปกติเนี่ยเวลาเขาพกอาวุธเขาก็จะพกไว้ทางด้านซ้ายใช่ไหมแล้วก็เวลาชักดาบออกมาเนี่ยมันก็ออกมาทางมือขวามือขวาทางคุณจะต้องมาทางด้านขวาของฉัน เหนือเพื่อที่แสดงความจริงใจว่าคุณไม่อ้อมไปด้านหลังแล้วมันจะมาทําอะไรฉันอย่างเงี้ยอืมอั น, นี่อาจจะเป็นที่เขาวิเคราะห์กันมานะนนวิชากณาเป็นคนเขาก็คิดว่าที่ต้องไปทางขวาเนี่ยเพราะว่าเพื่อป้องกันอันตรายแสดงถึงความจริงใจของเราอะไรเงี้ยครับอืมอืออทีนี้พอท่านอพระองค์ุริมานไปบินต บ, บาตบวชแล้วนี่ใช่ไหมก็บินตาบาดใช่ครับเ<า>อบบบาข้าวมากินคองอันตระวาสกอันตรวาสกคือสบงอ๋อสบงสบงครับ สบงผ้านุ่งของพระก็เรียกว่าอันตรวาสศอจีวรหมายถึงผ้าคลุมยังไม่ได้คลุมผ้าไปคลุมใกล้ใกล้บ้านแล้วก็ถือบาดไปอก็ได้เห็นเห็นสตรีที่มีท้องแก่คนหนึ่งนะท้องแก่นี่คือคลอดยากอะยังคลอดไม่ได้อืนัก็คิดว่าเป็นผู้ที่มีความเจ้าหมองอืก็เลยกลับมาเล่าเรื่องนี้ให้พรุชาฟังพระลูกชาก็เลยบอกท่านองค์ุลีมานทั้งนั้นก็ไปหาผู้หญิงคนนี้ แล้วก็กล่าวกับเขาว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยอจะรู้สึกว่าได้แกล้งปลงสัตว์จากชีวิตก็หาไม่เนะี่ด้วยบาาจาสัตว์นี้ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านขอความสวัสดีจงมีแก่คันของท่านอพอพอพูดอย่างนี้มันเหมือนกับโกหกไหมเพราะว่าเกิดมานี่ก็ฆ่าคนไปหลายคนแล้วอย่าพูดถึงแค่999เนะี่ยมากกว่านั้นเนะพราะว่วาชวะที่นับได้เนี่ยมัน999แต่ที่มันนับและลืมไปก็เลยต้องเอานิ้วมือวันร้อยเป็นโปรงทรงไว้เนี่ย เกินกว่านั้นอออืืมครับนะก็ก็เลยอผู้ชายก็เลยแก้ให้ใหม่ตรงนี้ก็จะคงจะมีนัยยะอยู่นะหมอนรบกเพราะว่าเพราะว่าการเกิดตรงเนี้ยหมายถึงการเกิดในอริยชาติ์นการเกิดจากการเป็นพระชาติเนี่ยคือการเกิดเนี่ยเป็นศัพท์ที่ในภาษาบาลีเขาใช้กันหลายๆจุดเช่นว่าคุณเปลี่ยนจากเด็กมาเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่รือว่าเขาเขาก็ใช้คําว่าชาติขึ้นมาในภาษาบาลีนะ หรือว่าคุณจากคนที่ยังไม่แต่งงานมาเป็นคนแต่งงานก็ใช้ชาติขึ้นมาออืคุณเปลี่ยนความคิดจากไอเดียนี้มันเป็นอีกไอเดียหนึ่งแล้วก็ใช้ชาติขึ้นมา่เปลี่ยนจากเช่นว่าจากคนชาตินี้มันเป็นคนอีชาติหนึ่งก็ใช้เป็นคนเกิดใหม่ขึ้นมาอ่าจากจากาจกเป็นครรวาสมาบวชเป็นพระก็เกิดใหม่ขึ้นมาอืชาติในที่นี้หมายถึงเป็นสถานะสถานะใดสถานะหนึ่งที่ไม่ใช่จําเป็นว่าคุณจะต้องเกิดมาเป็นคนออกจากคันแม่ไม่ใช่อางั้น แต่หมายถึงว่าเป็นสานะใดสถานะหนึ่งที่คุณคุณได้มาจากการที่ไ ม, มไม่ว่าอ่าไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนแป ล, ง เ, ปลงเรื่องอายุจากคนจากปฐมวัยเป็นมัชมมชิมะวัยอย่างเงี้ยก็ใช้ขุมาชาติได้ครับนะใช้การเกิดได้หรือแม้ว่าคุณนํากิจอย่างใดอย่างหนึ่งจนกระทั่งเขาให้ฉายาคุณใหม่ให้ชื่อคุณใหม่ก็วิชาติได้เช่นว่าในมีเรื่องเรื่องหนึ่งที่เศรษฐีเนี่ยเป็นคนตระนนีมากเลย ตรรณีมากจนกระทั่งว่ามีครั้งหนึ่งได้ทํากิริยานี้ก็คือว่าเอานิ้ว3มนิ้วเนี่ยหยิบอาหารแล้วก็ให้คนอื่นอ mm hmm. หยิบหยิบเขาเรียกว่าหยิบข้าวขึ้นมาแล้วเพื่อที่จะให้คนอื่นคือให้น้อยมาก <Okay. S 1> ะก็เลยมีฉายานี้เกิดขึ้นมานนว่าเป็นฉายา mm hmm. ที่แบบเอามือนิ้ว ม, มือหยิบให้ใ น, นลักษณะ น, น, นี้เพราะว่าด้วยการกระทำของเขาตรงนั้นจึงได้เกิดฉ <Okay. S 1> ายานี้ขึ้นการเกิดขึ้นตรงนี้ก็คือชาติเช่นเดียวกันไอ้คำว่าองค์ุลิมานเนี่ยก็เป็นฉายาที่เกิดขึ้น เนื่องจากการที่เอานิ้วมือมาร้อยเป็นพวงส่งไว้ด้วยการกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งทําให้เขามีการเกิดตรงนี้ขึ้นมามีสภาวะสถานะนี้เกิดขึ้นมาครับอซึ่งตรงนี้เราก็เข้าใจคําศัพท์ความหมายคํานี้ล่ะนะคุยถึงการเกิดการได้สภาวะนี้ขึ้นสภาวะใหม่ขึ้นมาใช่อเช่นเดียวกันจิตของเราเนี่ยจิตของเรามันเคลื่อนไปจากสภาวะนี้สู่อีกสภาวะหนึ่งนี่คือการเกิดใหม่ครับการเกิดในจิตใช่ที่ที่จะทําให้เกิดความทุกข์ต่อไปได้ อ่ะทีนี้ต่อไปอพอพรพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้ท่านองค์ุลิมานก็เลยไปหาผู้หญิงคนนี้แล้วก็พูดอย่างที่ว่าด้วยวาจาสัตวนะ์ด้วยอำนาจของความสัตว์นี้ก็ขอให้คลอดง่ายประกบว่าหญิงคนนี้ก็คลอดง่ายตอนนี้จึงเป็นเป็นประเพณีที่มีการนิยมกันนะในในประเทศไทยว่าเอาคนไปสวดองค์ุลิมานสูตรในบ้านในหมู่บ้านนะถ้าบ้านไหนในบ้านของเรียนคนนี้มีผู้หญิงก็จะคลอดง่ายนะถ้าพระแบบไปชันข้าในบ้านอย่างเงี้ย ครับคนที่เป็นหัวหน้าสอบถามทราบข่าวแล้วว่าโอบ้านนี้มีหญิงท้องเขาก็จะจัดองคกลิมานสูตรให้<อ>เป็นอย่ังนี้ น, นีเป็นที่มาที่ไปใช่ใช่ว่าสูตรที่คุณสวดภาษาบาลีที่เวลาไปเขานิมนต์นิมนต์นนพระไปที่บ้านแล้วก็ทำบุญบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับนนหนึ่งในนั้นจะมีองคุลิมานสูตรด้วยมีสูตรอย่างอือ่นเช่นว่ามงคลสูตรเช่นว่า เมตตากรณียาสูตรองคุลิมานสูตรอะไรเงี้ยจะมีอยู่นะซึ่งตรงองค์ุลิมานสูตรเนี่ยก็จะมีอันิี่สองทำให้คลอดง่ายก็ว่างั้นแต่เรื่องราวมันเป็นอย่างนี้เรื่องราวมันเป็นมาอย่างนี้อมีที่มาที่ไปอ๋อทีนี้หลังจากที่ท่านองค์ุลิมานได้ไปบินตาบาริงต่างหาเลิ้ยงชีพแบบสมณะแล้วนะก็ไม่นานหลังจากบวชนะครับว่าไม่นานเนี่ยอาตมาคิดว่าก็คงจะไม่เกินเดือน แต่ว่าต้องมีอย่างน้อยเจ็ดวันสิบห้าวันอคมดี่าอย่างนั้นนะครับอเพราะว่าไม่นานนี่ก็คือต้องเกินอาทิตย์หนึ่งละถ้าอย่างนั้นเขาก็จะบอกว่ากี่วันกี่วันเหมือนอย่างคนเียของท่านพระสารีบรุตรหรือว่าท่านพระมหาโมคละณนะอ๋อนับวันเลยใช่ใช่นั่นนับวันให้ว่า บ, บวชแล้วเจ็วันบวชแล้วสิบห้าวันไม่นานก็คงจะเกินกว่านั้นแต่จะไม่ได้นานถึงเป็นหลายๆเดือนอก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ท่านพระองค์ุลิมาศก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ เพราะนั้นการบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ของท่านพระองค์ุลิมานเนี่ยไม่ได้ตอนก่อนบวชนะหรือไม่ได้ในขณะที่บวชตอนก่อน บ, บวชในขณะที่ขอบวชเนี่ยยังไม่ได้บรรลุอะไรนะแล้วก็มาบรรลุเป็นพระอาหารหันต์เนี่ยภายหลังจากบวชแล้วไม่นานครนะอาจจะถึงขนาดหน่วยหน่วยเป็นหลายๆเดือนก็ได้นะในที่นี้อืมครับทีนี้พอหลังจากบรรลุเป็นพระอาหารหันต์แล้วไปบินธบาตเนี่ยก็ปรากฏว่า ใครโยนอะไรไปในที่ไหนมันก็จะมาตกลงที่กายของท่านอเออนี่ก็แปลกเหมือนกันแล้วก็จนหัวแตกผลแห่งกรรมบาแตกสังกติฆาตต่างๆพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าให้อดทนไว้ให้อดทนไว้สวัยผลของกรรมอยู่คือสวัยผลของกรรมในปัจจุบันนิดหน่อยทรมานนิดหน่อยจะสุ k นิดหน่อยก็จะไม่ได้ กนะ็จะทําให้ผลที่จะไปเกิดในอนาคตเนี่ยมันน้อยลงนะทั้งทั้งทางบวกและทางลบนะครับ เ, เช่นบางคนทาทาชั่วเอาไวานะ้ตอนปัจจุบันคุณก็อาจจะเจ็บตรงนั้นเจ็บตรงนีนะ้แต่อาจจะไม่ได้ไปตกนรก อ, อาจจะไม่ได้ไปตกนรกนะตกนรกคือผลต่อไปแต่ว่ามันหนักกว่าแต่ได้ผลปัจจุบนันนิดหน่อยออหรือเช่นเดียวกันทาทาดีเอาไวานะ้คุณได้ผลดีในปัจจุบันนิดหน่อย แต่ว่าคุณไม่ได้ไปเป็นเทวดาเนอะไหมเทวดานี่มัน ม, มันไกลไปข้างหน้าแต่ว่าผลมันเยอะมากอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นบางคนทําทําทําบุญเอาไว้เนสร้างค้เดียวไว้เฮ้ยทําไมไม่เห็นได้ผลสักทีในชาตินี้อืมัมนมันผลของบุญอันนั้นหนาบิบากในเวลาต่อไปเนี่ยถ้าให้ผลในเวลาต่อไปมันอาจจะเยอะก็ได้ซึ่งตัวนี้ก็จะจะมีเคสในกรณีนั้นอยู่นะอธิบายในประสุนอื่นๆ อหรือว่าถ้าให้ผลในปัจจุบันก็อาจจะน้อยกว่าถ้าเปรียบเทียบกับผลในอนาคตถ้าเราจะพูดถึงหลักทังธนาคารก็ได้เลยนะคุณดอกเบี้ยอ่าเรื่องของดอกเบี้ยทบต้นเนี่ยดอกเบี้ยทบต้นทบๆไปเนี่ยโหไปเอาสุดท้ายนู่มันเยอะมากแต่ถ้าคุณจเอาตอนนี้คุณเอานิดเดียวอย่างนี้ไปต่อนี่คือลักษณะของผลของคําก็จะเป็นลักษณะนั้นครับท่านครับตอนที่พระองค์คุรีมานถูกถูกเนี่ยโยนอะไรแตกเนี่ย ครั้งเดียวหรือว่าหลายครั้งครับหลายครั้งคงจะต้องหลายครั้งออคงจะต้องหลายครั้งอพวกเจ้าก็ให้บอกอดทนอดกลั้นไว้ใช่ครับอหลายครั้งนี่หมายถึงในวาระนี้ในวาระนี้นะโดนหลายรอบถึงขนาดว่าบาดแตกหัวแตกสังกติขาดอออืมท่อนไม้กรวดในที่นี้เขาพูดใช้ใช้ภาษาบาลีเนี่ยคือเป็นพระหูวัจนะคือเป็นพระหูพ้นหมดครับอท่อนไม้ก็เป็นหลายท่อนก้อนกรวดก็หลายอันก้อนดินด้วย ที่อื่นกว้างไปทีก็ตกลงมาแต่วาระอื่นโดนด้วยไหมสมมติวันนี้โดนแล้วพรุ่งนี้โดนอีกไหมอันนี้ไม่ทราบอ๋อพรุ่งนี้โดนแล้วอาทิตย์หน้าโดนอีกไหมอันนี้ก็ไม่ทราบครับ<ต>ไม่ไ<ว> ก, ไกล่า ว, วนนไว้ไม่ได้บอกไอ้แต่กล่าวไว้เฉพาะในจุดนั้นครับก็คงคิดว่าไม่ได้โดนตลอดหรอกอาจจะมีบ้างครับอาจะมีบ้างาแล้วก็หลังจากนั้นบรรลุแล้วนั่งอยู่ในที่รับหลีกเร้นในกะารหลีกเร้นเนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่เหล่าพระอาจารก็จะทําอยู่เป็นประจำ รพระรูปชาวเองก็กระทำท่านภาษาดิบกนทำบรรลุแล้วก็หาที่หลีกเล่นบ้างอยู่เป็นสุขบ้างแล้วก็ได้เปล่งอุทานตรงนี้เปล่งอุทานตรงนี้ซึ่งคาถาตรงนี้ต้องไปฟังต้องไปอ่านดูแล้วก็จะทำให้เรามีความเข้าใจในเรื่องของลําดับความคิดของท่านอาการจะไปถึงตรงนั้นรพระรูปเจ้าตรงนี้บอกให้ท่านพระองค์คุรีมาเนี่ยอดกลั้นเอาไว้อดกลัน้นเะอาไวา้คําว่าอดกลั้นเอาไว้เนี่ยหมายถึงว่าไม่ได้ตอบโต้อะไร อย่าไปตอบโตอะไรครับอดทนเอาไว้ด้วยอดทนอดกลั้นเนี่ยมีลักษณะคล้ายๆกันก็คือว่าไม่โต้ตอบไม่โต้ตอบอดทนต่อภาษาอันไม่น่าพอใจอดทนต่อคำด่าคําว่าอดทนต่อความร้อนความหนาวความเย็นความเจ็บไข้อะไรต่างๆพวกนี้ให้อดทนไว้ครับอตรงมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเรื่องนี้ก็คือว่าทําไมต้องบอกให้ท่านพระองค์ุลิมาเนี่ยอดกลั้นเอาไว้ด้วย อพอเห็นเลยครับตั้งที่ว่าท่านเนี่ยเป็นพระอรหันต์แล้วอืพระอาหันมันก็อดกลั้นอดทนก็ธรรมดาใช่ปะใช่ครับอใครจะด่าจะว่าก็ธรรมดาเอ๊ะทาไมถึงไม่ไม่ไปบอกให้คนเหล่านั้นอย่าคว้างอะไรมาอันนี้คนทางชัดเจนเพราะว่าคว้างไปทางอื่นมันก็ตกลงมาตรงนี้ อ, อในพระสุขก็บอกไว้คว้างไปทางอื่นก็ตกลงมาตรงนี้นะหรือว่าคนที่ยังเกลียดชังอยู่ก็คว้างตรงๆก็มีครับอทําไมไม่บอกให้เขาไป อ, อย่าทําไม่ดี หรือว่าให้เขาแบบอย่าพูกเว้อะไรอย่างเงี้ย <Okay. S 1> แต่เตือนแต่บอกท่านพระองค์คริมิอัว่าให้อดทนอาไว้ซึ่งไม่จําเป็นก็ได้ซึ่งไม่จําเป็นก็ได้แต่ในที่นี้เนี่ยจะมามีความเห็นว่าเพื่อที่จะบอกสเตทเมนต์ตรงนี้บอกคําพูดตรงนี้ว่าผลของกรรมที่จะให้ไปตกนรกอยู่เป็นอเนกตการเนี่ยเป็นหลายร้อยปีเนี่ยหลายพันปีเนี่ยเอาแค่รับตอนเนี้ยเอาเท่านี้นะรับตอนนี้ <Okay. S 1> เท่านี้ แต่ถ้าไปรับตอนอื่นในในอนาคตนมันจะต้องเป็นตกนรกหลายร้อยปีหลายพันปีแต่เพื่อที่จะบอกข้อมูลตรงนี้ในเรื่องความอดทนนี้ก็ยกไว้เพราะว่าท่านมีแน่ล่ะด้วยความเป็นระอรหันของท่านใช่ปะแ ต, แต่ข้อมูลที่เพิ่มเติมตัวแปรที่เพิ่มเติมขึ้นมาในที่นี้พระบุ ญ, ญบ่งบอกก็คือว่ า, าวิบากงกรรมที่ให้ผลในปัจจุบันเดี๋ยวนี้คุณเห็นเน้นได้เลยะมีเท่านี้นมีเขาย้อนอะไรไปไหนหรือเขาจะมาตามร้างคุณก็เท่านี้นในชาตินี้จบแล้ว <น>แต่ที่จะไปสวยต่อไปไม่มีสวยต่อไปต้องไปตกนรกอะไรต่างๆจบไม่มีไม่เป็นนะเพื่อที่จ ะ, จะจะสื่อให้เห็นในความเหน็นธรรมานะสื่อให้เห็นว่ า, าคุณรับตอนนี้ก็คือเรื่องของเหมือนกับดอกเบี้ยทบต้นนั่นหละอย่างที่ว่าครัแต่คุณรับตอนนี้คุณได้เท่านี้แต่ถ้าคุณไปรับตอนอื่นๆกรรมชั่วนะคุณจะมากกว่ามากรรมดีก็เหมือนกันนะกรรมดีก็เหมือนกันเพราะงั้นคุณตัดสินใจเอาแต่บางคนก็คิดว่าเฮ้ยทาไมฉันทํากรรมดีไม่ได้ดี ก็มันยังไม่ออกผลตอนนี้แต่ถ้ามันออกผลต่อไปมันจะได้มากอยู่นียด้วยความเป็นเทวดาอย่างนี้เป็นตน้นนะล้วก็ก็รอไปอบางคนผลบุญที่ตัวเองทําอย่างเงี้ยเรื่องกรรมดีนะอะไม่ได้ออกกับตัวเองเพราะว่าตัวเองก็เป็นพนักงานบริษัทธรรมดาอะไรต่างๆแต่ว่าไปออกผลกับลูกอย่างเงี้ยลูกได้ดีลูกทํางานได้เงินเดือนเยอะแยะนะอะไรต่างๆอย่นี่ก็มีนะก็ไปออกผลกับลูกก็เป็นผลที่ดีต่อเขาครอบครัวเขาๆๆๆเป็นระยะยาวนาต่อไปด้วยครับ อือก็อก็หลายอย่างหลายต่อมันก็ยากที่จะพูดเรื่องวิบากแห่งกรรมเป็นเรื่องที่อาจินตยเหมือนกันอือืมครับเอ่อทีนี้พอหลังจากที่พระเจ้าตรัสอย่างนี้ท่า น, นบอกองคุริมานไปหลีกเล้นอะไรต่ตางๆอ่าได้เฉลยให้ฟังในภายหลังว่าแต่ละความคิดของท่านตอนที่พระเจ้ามาหาตอนที่ยังเป็นโจรอยู่เนี่ยแล้วตัดสินใจออกบวชตรงนี้มีเฉลยอยู่ในความเห็นธรรมาว่าเฉลยของท่านอยู่ตรงนี้ครับได้อธิบายถึงถึงเรื่องราวของตัวท่านเอง เนี่ยที่ว่าเมื่อก่อนในประมาทเดี๋ยวดีไม่ประมาทเนีคนที่เมื่อก่อนประมาทเดี๋ยวนี้ไม่ประมาทเนี่ยสามารถอย่างโลกนี้ให้สว่างได้นี่ยเพราะว่าความที่ไม่ประมาทของตัวเองคือบางคนอย่างเวลาตอนวัยต้นวัยต้นของชีวิตเนี่ยเช่นตอนที่กําลังเรียนหนังสืออะไรต่างๆเนี่ยคุณกลับไปเล่นกับไปกินอ้าวแสดงว่าคุณประมาทเนี่ยวัยกลางคุณจะต้องทำมาหากินอะไรต่างๆในชีวิตใช่ไหมค่ะคุณกลับไม่ไม่ทํากับไปเล่นกับไปกินอ่ะคุณประมาท นะว้สุดท้ายต้องสวยหาทำความดีนะคุณกลับไปทำความไม่ดีเอาก็ประมาทนี้ตรงไหนที่ไว้ที่ประมาทนะชื่อว่ามืดไว้ไหนที่ไม่ประมาทชื่อว่าสว่างอืมเพราะฉะนั้นบางคนตอนวัยต้นเออทำดีตั้งใจเรียนหนังสือไว้กลางเอากับประมาทนะโกงทำไมด่ดีไม่ทำาหากินกินเหล้าเมาเบียเป็นนักเลงหญิงนักเลงสุราพวกนี้เอาแสงว่าประมาทนะก็คือเขาจากมือดอาจจากสว่างไปมืด สว่างไปมืดมนในระยะอื่นก็กกมีที่พรนะเจ้าตรัสไว้นะอันนี้พระเจ้าแต่มากําลังพูดถึงว่าความมืดความสว่างของคนที่ประมาทไม่ประมาทแต่ตอนท้ายชีวิตเขาอาจจะปรับตัวเป็นคนดีเขาก็กลับสว่างขึ้นมาสว่างได้ใช่เนะปรียบเทียบเหมือนกับพระจันทร์ที่พ้นจากเมฆซึ่งอันนี้ก็เป็นอุปมาประมาที่ผู้เจ้าเคยใช้ในวาระอื่นๆพูดถึงว่ า, ค เ, าเครื่องข้องเครื่องที่จะมาทําให้เมฆหรื อ, อที่ทําให้พระจันทร์หรือพระอาทิตย์เศร้าหมองเนี่ย ก็มีสุรุยุปราคาบ้างมีหมอกบ้างมีเมฆบ้างอันนี้เมฆ ก, ก็เป็นอันหนึ่งที่ท่านพระองค์กุลิมาได้พูดในที่นี้ครับแล้วก็แน่นอนท่านก็พูดถึงศัตรูของท่านศันะตรูของท่านที่มีอยู่ที่ท่านเคยทําไม่ดีเอาไว้นะก็ขอให้มาฟังคําสอนของพระพุทธเจ้านะที่เป็นศัตรูรเนี่ยขอให้คบสั บ, บรุษในที่เป็นคนดีเพราะว่าตัวเองเนี่ยกลับไปคบคนไม่ดีมาก่อนทำให้ทำใ ห, ทำให้เหินห่างจากความดี ตรงนี้จึงเป็นจุดที่อันหนึ่งเพิ่มเติมขึ้นมาว่าที่พระลูกชาได้พูดกับท่านพระองค์ุลิมานว่าเอ๊ะทำไมให้อดทนนแทนที่จะไปบอกคนอื่นว่าอย่าเบียดเบียนท่านพระองค์ุลิมานซึ่งตรงนี้ท่านพระองค์ุลิมานก็บอกเอาไปเองว่าคนอื่นอย่าเบียดเบียนเราเลยเพราะว่าการเบียดเบียนกันมันไม่ดีและไม่เกิดบาปแต่ถึงองทราบแล้วเพรดฉะนั้นจึงเป็นคําสอนของท่านตรงนี้ที่บอกว่าอย่าเบียดเบียนเราศัตรูเนี่ยก็ไม่พึงเบียดเบียนเราหรือใครๆอื่นเลยนเพราะว่าการเบียดเบียนกันมันไม่ดี มันไม่ได้จะทําให้ปนจากเวรได้อ่าอย่างไรก็ตามในการฝึกตัวตรงนี้นจะฝึกยังไงให้เราเป็นผู้ที่ไม่เบียดเบียนให้มีความมั่นคงไม่เป็นผู้ที่สะดุ้งผู้ที่สะดุ้งเนี่ยก็หมายความว่าจิตควนไหวใช่จิตแบบได้ยินชื่อนี้ปุ๊บอึ๊ยอึ๊กขึ้นมา่เช่นเด็กร้องไห้เนี่ยได้ยินชื่อองค์ุลิมาก็ยังหยุดร้องไห้เป็นอย่างนั้นแล้วก็ความที่สะดุ้งเขาต้องทํายังไงถึงจะให้ระงับไปได้ ก็นะได้เปรียบเทียบตรงนี้บอกว่าเหมือนกับช่างสอนนะย่อมดัดลูกศรไดครนะ้คนทดน้ําย่อมนําน้ําไปได้นะช่างถากย่อมถากไม้ได้นะบัณฑิตก็ท ร, รมานตนไดนะ้คำว่าท ร, รมานตนในที่นี้หมายถึงว่าฝึกตนได้กตนนะ่สัตว์บางพวกฝนะึกด้วยท่อนไม้ได้นะด้วยขอด้วยแท้ด้วยคําพูดคดาําด่าอะไรต่างๆแต่ตัวท่านเองเนี่ย แต่พระองคุลิมาเนี่ยเป็นผู้ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าฝึกแล้วโดยไม่ต้องใช้อาจยาไม่ต้องใช้ศาสตราตรงนี้ก็คือคือประกาศที่เปรียบเทียบกันว่าเอ๊ะน้ําลูกศรหรือว่าท่อนไม้ท่อนไม้ไมอันที่ไม่มีจิตไม่มีใจเนี่ยยังสามารถที่จะปรับเปลี่ยนมันให้ดีให้ตามที่เราต้องการได้ครับแต่ถ้มันไม่มีจิตไม่มีใจนะคือคือสั่งสั่งมันไม่ได้แต่เราไปทําเองยังทําได้แล้วคนที่เราสั่งได้ เนีเช่นว่าหมาแมวสุนัขช้างม้าโคพวกเนี้ยมีจิตมีใจเรายังสั่งได้สั่งให้มันแบบปรับปรุงตัวขึ้นมาเองนะโดยโดยการสั่งการทําตรงนั้นก็ยังต้องใช้อาจายใช้ศรัทธาใช่ไหมแต่แต่คนน่ะคนมีจิตมีใจเอ๊ะทำไมเราไม่สามารถที่จะสั่งจิตสั่งใจให้มันแบบจากไม่ดีให้มันเป็นดีขึ้นมาได้มันต้องทําได้สิใช่ครับเป็นเป็นตมเนียมของคนอินเดียด้วยที่ว่าสั่งการอะไรไปคุณก็ต้องทําตามนั้นเป็นเป็นลักษณะของ สังคมที่มีวัฒนะอรมนะสั่งไปคุณก็ต้องทําสั่งตรงนั้นสั่งตรงนี้คุณก็ทําไปนะซึ่งขนาดไม่มีคนที่ไม่สิ่งที่ไม่มีจิตไม่มีใจยังสั่งมันให้ให้ทําได้อืออ่าช้างมาโครละโอ้เราก็ยังสั่งได้ให้มันลุกให้มันนั่งให้มันกินให้มันหยุดเออแล้วทําไมคนอ่ะทำไมจะสั่งไม่ได้ใจของเราใช่ครับมันต้องสั่งได้อย่างนี้นะอซึ่งการสั่งสอนตัวนี้ไม่ต้องใช้อายามันต้องใช้ศาัทธาครับอันนี้เป็นมุมมองอันหนึ่งเหมือนเป็นมุมมองแง่บวกด้วยนะครับว่า คือต้องเหมือนกับมีความคิดที่ว่าสิ่งเนี้จะต้องปรับปรุงตัวได้ทำให้ดีได้ใช่นีายประชาไทยตรงนี้เขาเลยแปลว่า ท, ทรมานตัวเองได้นะบัณฑิตเนี่ยนะย่อมทรมานตนแต่จริงคือบัณฑิตย่อมฝึกตนฝึกตน<ล>การฝึกเนี่ยก็คือการที่เราสั่งบังคับสั่งบังคับจิตของเราให้ได้ครับแล้วก็ะพะสูจน์ก็จบตรงนี้ คนะาถาตรวนี้เป็นคาถาที่ที่ดีควรไปศึกษาเพิ่มเติ ม, มตรงท้ายท้ายของคาถานี้ที่บอกวิชาสามอันนี้หมายถึงข้อทําอะไรบ้างครับวิชาสามก็คื อ, อ<า>เราบรรลุแล้วใช่วิชาสาก็คือความรู้นะพิชาคือหมายความความรู้ในเรื่องแรกเนี่ยก็คือเรื่องของจตุปปะัะตายานก็คือการที่รู้สัตว์ที่จะไปจุติ ว่าจะไปจุติที่ไหนเอ่อตายแล้วจะไปไปเกิดที่ไหนครับนะอันที่อันแรกก็คือบุพเพนิวาสานุสติญาณบุพเพนิวาสานุสติญาณนี่ก็คือรู้อดีตนะว่าอดีตนั้นเป็นมาอย่างไงชาติที่แล้วเกิดเป็นอะไรอะไรนะแล้วก็จุตุปาปาตญาเนี่ยก็การรู้ที่ว่าสัตว์อื่นๆนี่จะไปเกิดที่ไหนที่ไหนรู้อนาคตนะตานีแล้วก็อันที่สคืออสวรรขยานคือการที่ทําอสวรรค์ให้สิ้น ความรู้วิชาสามตัวนี้ก็คืออันเดียวกันกันกบที่พระเจ้าตรัสรู้แต่ว่าความละเอียดเนี่ยไม่เท่ากันแน่ในความลึกไม่เท่<ม>ากันแน่ของพระเจ้าก็จะมีความละเอียดลึกซึ่งไม่จํากั ด, กดแต่ของท่านพระองค์กุลิมาลาก็จะมีวิชาสามอยู่แต่อาจจะไม่เท่าของพระเจ้าหรอก อ, อันนี้ผู้ที่บรรลุทุกท่านเนี่ยจะได้วิชาสามไม่ไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่อแต่ที่จะได้อันหนึ่งก็คือ เรื่องของอาสวะ<อ>ขยายาอาสวะ า, าวะให้สิ้นอาสวะขย้ายเพราะว่าอาสวะกิเลสอาสวะตัณหาวิชาพุทโธต้องญญ<ป>สิ้นไปครับอ่าทีนี้ความสิ้นไปจะละเอียดมากละเอียดน้อยละเอียดในหมายความว่าเร็วหรือไม่เร็วหรือว่าสิน้นแล้วมันมันเนี่ยไปเลยหรือว่ายังมีอึกอึ๊กอึอย่างนี้อยู่แต่ละท่านจะจะไม่ไม่เหมือนกันไม่เท่ากันครับไม่เท่ากันเพราะว่าบารมีอินทรีย์ต่างๆที่สะสมมาไม่เท่ากันนะอ่าเพราะนี้ความรายละเอียดเช่นว่า ความเรียบร้อยความหมดจดความตัดแล้วขาดเลยอะไรเงี้ยจะไม่เท่ากันรหรือวิชาสองวิชาแร ก, กก็จะมีไม่เท่ากันบางองค์จะมีนิดนึ่งะระลึกชาติได้ย้อนหลังเท่านี้ชาติท่านั้นเองแล้วก็แต่ละชาติก็จะไม่ละเอียดไม่ละเอียดรู้ว่าเป็นยังไงพูดอะไรกินอะไรอายุเท่าไหร่แต่จะทราบชาตินั้นนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยเราจะมีอยู่อันนี่คือเรื่องของอาวของท่านพระองค์กุลิมาน ซึ่งเมื่อก่อนเมื่อก่อนเป็นโจรมีใจปักใจมากในการฆ่าตีสุดท้ายได้มาบวชบวชแล้วก็ไม่รูเป็นพระอรหัน์ในเวลาไม่นานขนาดโจรเหมาอนท่านพงศ์ต้องการสรุปในเรื่องที่นี่ว่าโจรผู้ที่มีคนที่จะฆ่าคนได้เป็นพันคน่ะโอ้จิตใจต้องโหดเทียมมากมากครับแล้วก็ยังแก้ไขปรับปรุงตัวเองได้ครับตัวเราเองทํำไมเราจะทาไม่ได้เราไม่ได้โหดเทียมขนาดนั้นใช่ครับ เราไม่ได้ทําชั่วเรวซ้ำขนาดนั้นเราต้องแก้ได้สิเราต้องปรับปรุงตัวเราได้สิครับ<ช>นะซึ่งถ้าเรากระบวนการวิธีการที่พระเจ้าให้เราแก้ไขปรับปรุงตัวเนี่ยมันไม่ได้ว่าต้องเจ็บตัวนะ่<ช>ไม่ได้เป็นไปกับด้วยความทุกข์กับด้วยธงมนั์เลยนะ<ช>เป็นไปกับด้วยความสุขกับด้วยโสมนต์จริงๆเลยนะครับ<ช>แล้วทําไมยังจะไม่ฝึกมันไม่มีผลใดทั้งสิ้นในผลที่เกิดขึ้นมานั้นเป็นเหตุผลของกิเลสเป็นตตาาาาาวิช่เรํลง อย่าไปฟังมันเราจึงต้องฝึกต้องทำนะทำจากเราให้สูงขึ้นเป็นผู้ที่ไม่ประมาทจะสามารถที่จะนำแสงสว่างมาสู่ตัวเราเองครอบครัวเราคนใกล้ตัวสังคมประเทศชาติได้แน่นอนครับนะรบในเรื่องขององค์กรีมาสุก็จบเท่านี้คุณอระพงครับครับขอกราบนบมการขอพระคุณพระอาจรารย์ภัยบูรณ์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนหโตกจังหวัดอุดรธานีครับเยีปป่ากเ่าก